สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับในชาวันนี้เราอยู่ในกฎแห่งการเกิดผลนะครับซึ่งเป็นกฎข้อที่14ในหนังสือ20กฎทองคำนำสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมาณชันนะครับพี่น้องครับการเกิดผลนั้นพระวจะนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้โดยคำตรัสของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อ16นะครับใน16ข้อนี้ ท่านศาสตาจารย์ดอรฟิลิปเทงได้ขยายความครับเป็นประเด็นต่างๆซึ่งวันนี้เราจะเข้ามาสู่ประเด็นที่3ครับผมขออนุ ญ, ญาตทบทวนประเด็นที่1ก่อนนะครับความจริงและศัจธรรมจากพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสโดยพระเยซูกล่าวว่าการเกิดผลกฎแห่งการเกิดผลนั้นประการแรกก็คือขแขนงจะออกผลเองไม่ได้นั่นหมายความว่าจะต้องเกิด จากเทาอุญุนครับเทาอุญุนคือองค์พระเยซูคริสต์ครับและเราทั้งหลายซึ่งเป็นขแขนงขแขนงนั้นเกิดผลเองไม่ได้ครับและพระเจ้ของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่นอกเหนือจากในพระธรรมยอ้นั้นก็ยังปรากฏในชีวิตของท่านอคาทูตเปาโลซึ่งท่านได้เขียนประสบการณ์ของท่านไว้นะครับว่าในตัวข้าพเจ้านั้นไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่โดยว่าการดีซึ่งข้าพเจ้าปรารถนากระทํานั้นข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาธรทำข้าพเจ้ายังทําอยู่โอ้ข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้นี่ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่7นะครับพี่น้องครับเราเห็นความจริงก็คือว่าเราแท้จริงแล้วไม่มีความดีประการใดอยู่เลยครับแขนจะออกผลเองไม่ได้ครับ เมื่อไรก็ตามที่เราปรารถนาจะกระทำการดีนะครับการชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้นอยู่เสมอนะครับเราต้องคอนเน c t หรือติดต่อกับพระเยซูคริสต์ซึ่งจะเกิดผลได้ประการที่สองครับขอทบทวนครับต้นองังนเท่านั้นหรือเถาวัลย์เท่านั้นที่มีชีวิตก็จะเกิดผลชีวิตที่เกิดผลนั้นอยู่ในเถาวอังุนครับก็คือในพระเยซูการสำแดงออกตลอดชีวิตของพระองค์ ก็ยืนยันให้เรารู้ว่าพระองค์มีชีวิตที่เกิดผลเพราะเหตุที่ว่าประการแรกคือพระองค์ทําตามชอบพัฒัยของพระเจ้าเสมอครับประการที่สองก็คือว่าพระเยซูไม่มีบาปครับพระเยซูไม่มีบาปและประการต่อไปก็คือการเกิดผลนั้นก็มาจากพระเจ้าการเกิดผลนั้นมาจากพระเจ้ามาจากความบริสุทธิ์ ในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในประเด็นที่3ครับความจริงและสัจธรรมที่เกี่ยวข้องการเกิดผลก็คือขแขนงนั้นก็หมายถึงเราครับได้รับพลังขแขนงได้รับพลังการเกิดผลจากเถาวัลุ่นครับเมื่อขแขนงติดอยู่กับเถาวังุ่นก็จะเริ่มมีชีวิตและน้ําเลี้ยงไหลเวียนอยู่ในขแขนงนั้นและด้วยเหตุนี้ครับจึงทําให้เกิดผลแห่งชีวิตได้เพราะฉะนั้นการ connect หรือการติดต่อหรือการติดอยู่กับระหว่างเถวและขแขนงนั้นจึงสําคัญอย่างยิ่งในพรนะโพธิสของพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินท์บทที่5้าข้อสิบโครินท์บทที่ 5: ้าข้อสิครับโปรดฟังพระโพธิสัของพระเจ้าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่สรุปสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นโปรดฟังอีกครั้งครับ ถ้าผู้ใดอยู่ในพระกริ์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้าเปลี่ยนเซาโลให้กลายเป็นเปาโลครับเปลี่ยนซีโมนให้กลายเป็นเ ป, นเปตโตเปลี่ยนลูกฟ้าร้องให้กลายเป็นยอนเปลี่ยนโยเซฟเป็นบารานาบัสและเปลี่ยนหญิงชาวสมารียพี่ ผู้ที่ผิดประเวณีกลายมาเป็นลูกศิษย์คนสาคัญและเป็นพยานให้กับพระเยซูเปลี่ยนมารีมักดาราให้เป็นมัคคณายิกาของคิดจักรเยรูซาเล็มเปลี่ยนซักเคียสซึ่งเป็นผู้ทิลโมบเป็นคนเก็บภาษีกลายเป็นคนยินดีเสียสละทรัพย์สมบัติช่วยเยียาคนยากไรเปลี่ยนนักโทษในเรือนจำที่ฟิลิปปี และนายคุกให้เป็นพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการ transform การแปลรูปการเปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนกลายเป็นคนใหม่ครับเกิดจากทวงุลคือพระเยซูคริสต์หากใครก็ตามที่ได้มีประสบการณ์กับาวงุลนี้กับองค์พระเยซูคริสต์นี้ ก็จะมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครก็ตามที่มีประสบการณ์การติดต่อระหว่างพระเจ้ากับตัวเรานั้นก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นการพลิกฝ่ามือครับสัมผัสกับพลังสัมผัสกับฤทธานุภาพ ส, สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าอัศจรรย์มาศจรรย์ ได้ครับพี่น้องครับอย่าลืมครับถ้าผู้ใดอยู่ในพระกริ์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนีน่สิ่งสารพัดเก่าๆ ก, ก็ล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นของพระเจ้าเมตตาเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะแสวงหาการคอนเน c หรือการติดต่อกับเทวาางุณนี้การคอนเนค t นี้กับมาสูเบสิก ค, ครับเหมือนกับที่เมื่อวานนี้ผมได้เรียนพี่น้องทราบทุกท่านก็คือการเข้าเฝ้าพระเจ้าครับ การที่เรานั่นคิดถึงพระเยซูการที่เราอธิษฐานการที่เราอ่านพระคัมภีร์การที่เราใขว่ขวนภาวนะและการที่เราสงบนิ่งฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําการของพระองค์ร่วมกันกับภาวนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําพระราชกิจของพระองค์ร่วมกัน กับการที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะส่งสว่างครับส่งสว่างให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราใคร์ครวนเมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาในขณะเดียวกันครับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ก็จะประทานแรงบันดาลใจประทานเรี่ยวแรงประทานพลังป ร, ประทานฤทธิดเดชของพระวิญ ญ, ญาณเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับเพื่อที่จะ t r a n s อร์มชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนครับ กลายเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งหลายในการที่เราเองนั้นจะแสวงหาชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูครับเป็นชีวิตที่เราเรียกว่า c คริสไลค์ก็คือชีวิตที่เหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือจุดสูงสุดของการเป็นสาวกครับและเมื่อเรามีชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูเราจะรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแนละรักเพื่อนบ้าน เหมือนักตนเองพระมหาบัญชาของพระเยซูกิตสองข้อใหญ่นั้นก็จะสำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นสาวกและเป็นสาวกที่แบบพระเยซูครับอาเมน